สะดือยอนสะดือลงไปอีกสองนิ้วแล้วก็เลื่อนขึ้นมาอีกเหนือสะดือสองนิ้วจุดศูนย์กลางอมองเห็นูกแก้วะแล้วบริกรรมว่ะสมารังสมารังทุกคนก็ว่าว่าถ้าใครเห็นธรรมกายก็ยกมือขึ้นนะก็นั่งเงียบไม่ต้องพูดอะไรอาจารย์ก็พูดไปพูดไป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 เรียกว่านักภาวนานักกรรมฐานเอาการกระทบเบิกเอาความเพียรเอาสติเอาศรัทธาบางทีก็เอาศีลสำรวมมันก็สำรวมไปเองเราเจริญสติตามมันก็สำรวมเองแม้เราลืนตาก็ไม่ได้ใช่เลยเวลาไม่สตินะแต่ใช้ในเวลาที่มันจำเป็นต้องใช้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 ไม่ใช่ว่าไม่รู้อะไเลยไม่ใช่ไม่รู้รเลยเลยไม่ใช่มันรู้อยู่บางคนมาปฏิบัติมาประเมินตัวเอง <Rail way> แล้วพอเคยอย่างคนโน้น่ะว่าตัวเองปฏิบัติแล้วไม่รู้อะไเสียเวลาเอา้าไม่รู้อะไรแล้ว ร, รู้อยู่แล้วจังว่าไม่รู้อะไรรู้สึกตัวรู้สึบตัวเลยว่าไม่ใช่มันรู้อยู่แล้วมันหลงก็ sel, เปลี่ยนตัวหลงเป็นความรู้อยู่แล้วมันเป็นปัจจิตังมัน เป็นมรกเป็นผลขณะที่ยกมือรู้สึกตัวนะกำกำลังยกอยู่เนี่ยมันก็เป็นกรรมเป็นมกรกลู้สิบตัวมันก็เป็นผลแล้วอะไรก็ตามมันเป็นมรกเป็นผลแต่มรกผลน้อยน้อสร้างความรู้ได้สำเร็จชีวิตของเราเปลี่ยนควาหลงเป็นความรู้ได้สาเร็จทุกคนไม่ยกเว้นนี่คือพระพุทธเจ้าสอนในสิ่งที่คนอื่นทาได้ปฏิบัติได้ให้ผลได้ทุกคน